อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันก็คือการเจ็บไข้ได้ปวด่วยปวดหวัวตัวร้อนโยวยประการต่างๆนี่เป็นเรื่อสงครามมันทุกชา ย, ยาเขาไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่ก็สงครามันนึ่งสงครามทาดขัน สงครามโลกมันก yeah. yeah. yeah. ็เร yeah. uh so ื่องธาตุเงขันเรื่องทาลายสมบัติเรินทองต่างๆทําลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและแก่ระหว่างกิเลสกับใจนี่เป็นเรื่องทํารองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทําลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด จำนวนที่จะเกิดสงครามคุณคีเด่นี้มันมีมากมันลุกลามข้งมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุ่มอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแลกันแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราั้องเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้ยิความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาจาเข้าไปแก้ไขรือกราบัปมีเรื่องมีครั้งมีการต่อสู้กันเ็าเรียกว่าสงครามในระหว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเยียย่ำทาลายอยู่เรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปลายทางไมนมีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านปุถุพทธิบดธรรมจึงต้องดื้อเป่็นขวัญขวายในออันที่จะแกสิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเราลบมีทางต่อสู้กัน หากขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมันชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรามานภาในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอกไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเล่นเดินจมกลมนั่งสมาธิภาว น, นาแยไขายทางสติปัญญา อุบายของเราเารู้เท่าทันกับพี่เล็กมันก็ระงับระงับดับลงไปเป็นลาหนักํำหนักถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลาบากอุบายที่จะสู้กับพี่เล็กก็คือสติปัญญาสเสบียงก็คือความภาพเปลียนเป็นขั้งหลนเสมอ ความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยมีกองเสบียงเป็นกำลังระิีปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งกองที่เหลือทั้งหลายาไเบาบางจากอิกใ จ, จไทยเคยมีความร่วมเย็ยนเป็นสุดมันชื่อว่าการต่อสู้กันระหว่างที่เหลืกับธรรม ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่องมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างรากความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากาอำ น, นาจของเจลิตถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลาบมในการต่อสู้เส้นเดียวกับเคารพในสงครามก็ตางก็ยังพองในทางที่จะรับ ทช น, นะเป็นทัพภาคไปมีความสยู่คนสบายใจบ้างสัานะของพวกเราพุทธทางก็ดีทำมังสังขครังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ลงรบสงครามหกรัชพันศาทงไทถึงปรากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังข้าศามีแต่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุอสมบัติ รู้เริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อทมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำลังออกบวชในภุติาศาสนาแล้วตั้งหน้าบาเพ็ญตนเพื่อชำระที่เหละวหรืาปรปามที่เละซึ่งมีภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลหดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆ ยาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาล้มไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นวัาเป็นที่เหมาะสมของการลบพุ่งทิงไทยกับที่เล่แต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้ปรากฏว่าเป็นทั้งขังสนงังคาถามิคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิ กับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรงมสุขเป็นภายในใจิตใจปรากฏเป็นสนารณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนางกระฉามทั้งสามสถานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับทัยชนะเราผู้เป็นพุทธบริษัทร์ไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างร่าไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรดังนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้จากลูกตาเหลอกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบําเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถูงสถานที่บําเพ็ญนี้ใคยๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมุตินิยมกันต้องมาถูงสถานที่ลําบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยขอาด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะกินนาหทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนไปตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งนาคเพื่อปฏิบัติ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 อีกตาเรากินมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของพิเรสกับธรรมซึ่งรบกวนอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะเกิดขึ้นจากการลำบากเพราะความภาคเพียนหรือการรบกับพิเดษนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความทอแทะอ่อนแอเกิดขึ้นมา เรื่องมีความเทอดถอนมีความอิจนาระอาใจต่อความภาคเทียนที่จะ ก, ก้าวไปโดยลําดับดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราคือกาลึกถึงธงดังาา่งพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแทรกสูตรเมื่อกีบโสขว่าหรืออรนเยลุกขโมลเลเเรวา่าซึ่งญาตารวิวทีกะบุเมื่อเธอทั้งสันสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในลุกขมู ล, ล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศ า, าสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคู่ความกลัวที่เกิดยิ่พันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเฉลกะ ร, ายยาะระสะหไอเรยาธะนัตตะกัสสุ หอถะพุทธังเสเรยัทหากว่าจะรู้ถึงเบืพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงรูกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความตัวซึ่งมีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจหากจะรู้ถึงมาธรรมยังไม่หายไปแล้วพึงรู้ถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยิดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจในเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลูลกไม้คือเรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็ตามพึง ถ, ถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตน์ใดก็ตามเป็นหลักภายในใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีจาใจจิตใจแล้วจะ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 เราควรจะลึก อ, อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ลึกอีกครั้งเราย่อมขึ้นหน้าลึกคอ้อยตามนั้นให้กิเลสดูความท้อแท้แรงมันถูกล่าลงไปแล้วเราลึกถึงพระธรรมพระธรรมสำหรับเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยแล้วนี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมา่ง่ายความอ่นแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของกระเสิร์ตแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหลนี้ทําไมถึงไม่ประเสิร์ตการแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแแทอ่อนเอยยึดเอาหลักความเฉ่งเฉ๋งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของกระเสริฐได้สันะงฆางสนังกระฉามิของพวกเราท่านทอดแแทอ่อนเอหรือ ความต่อแท้อดอดนี้กับสังขัรสนองกระฉามมีมีเข้ากันได้ไหมความต่อแท้อดแอดเรื่องของพิเรกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสาระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตขั้ตนต้นให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองยึดซักกันระหว่างพิเรกกับธรรมพิเรกกับสติปัญญาความโงูกเข่ขาคือพิเรกแต่มันฉลาดสําหรับสับสงสอนคน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 เพราะการสู้รบ ก, กับพิเรศเราจะาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนเนี่ยแต่ทำงานธรรมดาก็ยังลําบาก น, นี้การสู้กับพิเรศซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดพายใจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่หนวจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตรประจารของวัฏจกักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งๆซึ่งล้นแล้วตั้งแต่มีสิ่งอย่านี้เป็นเรื่องปกครองและเราจะกําจัดตัจเตาหรือชำระออกน่ายอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตัดกเกยบสกายจึงต้องพยายามจุดกำลังความสามารถทั้งปสิปัญญาทั้งความภาคเพยียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาามัตตธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจปรากฏ ข, ขึ้นแก่เราผู้ ด, ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เราได้ไ้ไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม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 พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสมบุกสมบันลำบากกระทำมาจนสุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอิจึงเรว่าเป็นพุทธทางธรรมสังฆ ท, ทางสันาานิบา้ของพวกเราที่เราผู้ดำเนินตามท่านจึงก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็น pink, ตายก็ตาย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 ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลํานักมองถึงนอัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ได้สาระก็ถือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ได้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบที่หญิงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติทธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออดเพื่อธทำก็ต้องเยียมย่มทำทาลายหรือฝากฝุนกิเลสที่รบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวา ก, กำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำนาญในเรื่อยไป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 เวลาหหนตุจงอย่ได้พยายามบั่าเบียนอย่าไจงย่ได้มีเวียนกกันและกันอายาป ร, ประชาหหนตุจงอยาได้พยายามบัดอาหาตอย่ า, ย า, า, า, า, ยาได้เบียดเบียนกันสี่อาหานตุสุขีะจะนัง่งไิหารันตุจงนำตนไปสู่ความสุขดโดยทั่วกันเถิดนี่ถ่าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์ก็แจกจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสงสารซึง ก, ากาันอะรกันเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกราเอาไว้แล้วนะ่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามท้องทางถนนท้องทางก็ดีตีกร า, าไว้แล้วโอสัตวตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกรามาเรื่อยๆเขาลงฆ่าสัตว์เนี่ยไอเราเมื่อกตีกราไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกราไว้หมด เป็นตัวแปว่าการานี้ไม่ได้เหมือนอย่างการาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะกระหมาดอดดื่มควนควายบําเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งามขุมดีเป็นสมบัดของเราร่างกายนี่จะเป็นตับัดของพญายมัจุฬาคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะไปน ห, หนึ่งหัวงก็เป็นความลําบากลาบนตนเปล่าปล่อยตามความเป็นจริง น, นั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำให้รู้ตามประจินปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องหยุดต้องเยึงกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตา คีย์เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไมหนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจา้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดสิตก็เป็นวิมุติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักนั่นแหละทันเรียกว่านิพานจะ เ, <อ>เรียกว่าอะไรก็ได้<อ>ไมถึงขั้นนี้แล้วสมายข้างนัน้นขอให้ทุกทุกท่านนาําไปปฏิบัติวันนี้รู้สึกาหน่วยเพียเพลิดไปคอยจะอะไรนักก็ไม่ใช่ไม่ทันเดืหัน สุขอันหนึ่งเทนั้นก็มีเพียแจ่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเอาละขอฤทติเหมือนกัน